สัาดีวิทยุกระจยสิยงแห่งประเทไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยรายการธรรมะรับอรุณดมีข้าพเจ้า พ, พระมหาภัยบุ์อภิปุนโนจากวัดป่า ด, ดอนหายโศกมาเป็นผู้ทิพะเจอเจอกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่เป็นประจำทุกวันโดยในแต่ละเรื่องนั้นแต่ละวันนั้นก็จะนาแต่ละเรื่องแต่ละแบบ มาพูดคุยให้ท่านบูฟังได้ฟังกันเรื่องราวที่นํามาพูดคุยนั้นแน่นอนเป็นเรื่องที่เป็นในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องที่เป็นไปในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น<ๆ>ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตระตะัสรู้เองมีแบบที่1 ห, หรือแบบที่ว่ารูปาอาจารย์ที่ท่านใดอถาธาิบายเอาไว้ ว, ว่าอถาอธิบายนี้ก็คือเป็นการทําหน้าที่ของภิกษุละในการจะทาสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งตั้งแต่เรื่องของอัฏฐะบ้างคือความหมายขยายความอธิบายไปแล้วก็เรื่องของพยัญชนะบ้างเช่นการแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยการแปลเนี่ยก็ต้องใช้คนที่มีความรู้เนื่อแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วตรงที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็เป็นคําของครูบาอาจารย์นั่นแหละที่เป็นภาษาไทย พราว่าคำของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีเท่านั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลมาโดยบทและโดยพยัญชนะแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วตรงนั้นก็เป็นคําที่ท่านเลือกใช้ขึ้นมาเรามาอ่านตรงนั้นให้กันฟังแต่ก็เป็นบทเพยญชนะที่ท่านใดอธิบายเอาไว้ด้วยความที่เป็นภาษาไทยเป็นตน้นอันนี้คือลักษณะที่1ส่วนลักษณะที่สองเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีแค่2 ส, ส่วนอีกเหมือนกันก็คือถ้าเราพูดถึงโดยอัฏฐโดยเพยญชนะ ก็มีอยู่สองส่วนคือส่วนที่พระพรุทชาตรัสกับส่วนที่ครูบาอาจารย์ได้อธิบายมีทั้งสองส่วนถ้าพูดถึงเรื่องของตัวเนื้อหาธรรมะทั้งหมดก็มี2ส่วนเหมือนกันคือส่วนที่เป็นโลกุตระแล้วก็ส่วนที่ชี้แนวทางแห่งโลกุตระนั้นส่วนที่เป็นโลกุตระก็เรื่องของอริยสัจสีแน่นอนทุกสมุดไทยนี้รอดมากอย่างที่เราท่องเราที่เราจํากันได้ส่วนที่จะชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นก็คือเรื่องของ ทานเรื่องของศีเรื่องของสวรรค์เรื่องของโทษของกามอันนี้ส่งในการออกบวชซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าอนุบุตรพิกถาเป็นเรื่องที่จะสนับสนุนแนวทางแห่งอริยสัจ ส, สีเป็นเรื่องที่จะทําให้รู้อริยสัจ ส, สีมากยิ่งขึ้นได้และจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับผ้าที่เขาซักมาสะอาดแล้วมันจะสามารถที่จะรับน้ํายอมได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องคําสอนนีก็จะมีอยู่2 ส, ส่วนอย่างที่ว่า โดยในการนี้ก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะนําเรื่องราวที่เป็นปพ Licht ุทธพจน์เนี่ยมาให้ท่านูุฟังได้ฟังเรื่องราวที่เป็นปพุทธพจน์นี้ข้าพเจ้าก็เลือกมาจากที่เป็นพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกการจัดรายการนี้ก็เป็นการขับดันให้ข้าพเจ้าเนี่ยต้องไปอ่านในพระไตรปิฎกแต่ว่ามีพระสูตรไหนที่น่าสนใจก็เลือกเป็นเรื่องนํามาอ่านให้ท่านบุฟังฟังในแต่ละสัปดาห์ซึ่งถ้าทุกสัปดาห์เราฟังไปเราฟังไปเนี่ย แน่นอนท่านผู้ฟังทั้งข้าพเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ทำไปเรื่อยๆทุกบวงก็ฟังไปเรื่อยๆเราจะสามารถที่จะอ่านหมดจบพระไตรปิฎกได้แน่นอนทุกสัปดาห์เราทำไปวันละเรื่องวันละตอนอธิบายกันให้มีความเข้าใจกันท่านผู้ฟังฟังไปก็ศึกษาเพิ่มเติมทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆแน่นอนในชีวิตนี้เราสามารถอ่านพระไตรปิฎกจบแน่นอนยืนยันให้ได้แต่ไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่อย่างน้อยวันนี้ เรื่องราวต่างๆก็จบไปในเรื่องของมันของมันมีความเข้าใจในแต่ละเรื่องราวมีประเด็นที่สําคัญน่าสนใจศึกษาทั้งนั้นไม่ประเด็นไหนก็ประเด็นหนึ่งทุนี้ข้าพเจ้าก็ศึกษาในคมภีร์ที่เรียกว่าเป็นมัชชิมานิายในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็แบ่งหมวดหมู่เอาไว้ส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศึกษาวินัยของพระชาปประสงค์ก็เอาไว้ในเรียกว่าวินยัยปิฎกส่วนไหนที่เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่า เขาก็มารวบรวมไว้ในในปิฎกที่เรียกว่าสุตตันตปิฎกแต่ตอนนี้ก็ศึกษาสุตตันตปิฎกอยู่ในส่วนของปิฎกนี้สุตตันตปิฎกนี้เรื่องไหนที่ยาวๆเขาก็รวบรวมเอาไว้ในหมวดที่เรียกว่าทีฆะนิกายทีฆแปลว่ายาวเรื่องไหนที่กลางๆไม่ยาวถึงขนาดเรื่องที่อยู่ในทีฆะนิกายไม่สั้นเกินไปเขาก็เอามารวมไว้ในหมวดที่เรียกว่ามัชชิมะนิกาย มัชิมะปลว่ากลางซึ่งตรงนี้คราพเจ้ากําลังศึกษาคัมภีร์ในส่วนที่เป็นมันชิมนิกายนี้อยู่เพราะว่าบางเรื่องบางราวมันก็เอามาอ่านให้กันฟังครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันพอดีพอดีไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปมันพอที่จะมาทําความเข้าใจไใข้คลวนกันในช่วงเวลา30มนาทีในในการธรรมาระบรุณนี้ได้แล้ก็จึงศึกษาคัมภีส่วนนี้โดยในวันพฤหัสเาจะนําเรื่องที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยมาอ่านให้ท่านบูฟังฟังอ่านให้ฟังแล้ว เข้าใจไม่เข้าใจนั้นก็ดีทั้งสิ้นเพราะว่าอย่างน้อยอยังได้ฟังสิ่งที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าฟังแล้วใครควรแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เคยฟังมาแล้วบ้างหรือไม่เคยได้ฟังบ้างก็ตามเรามาใคร่ควรวญพิจรารณาก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยจะมาพูดกันในวันศุกร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นในสัปดาห์นี้ได้นําเรื่องพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่14 เริ่มที่ข้อ112่ริสประศุทธิวันนี้ก็คือชาวิโสธนสุดชาวิโสธนสุดนั้นก็หมายถึง6อย่างแต่ก็คือคนที่จะบรรลุถึงความบริสุทธิ์เนี่ยมีองค์ประกอบ6อย่างแต่การบรรลุถึงความบริสุทธิ์นั้นก็คือบรรลุธรรมนั่นเองบรรลุธรรมบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายพูดง่ายๆเขาก็จะเรียกว่าเป็นพระอรันทีนี้คําว่าพระอรันเนี่ย พระพุทาก็ใช้เหมือนกันหรือว่าใช้คําอื่นที่หมายถึงความเป็นอาราหันต์ก็ได้เหมือนกันเช่นบางทีพูดถึงเหตุเช่นสิ้นอสวะแล้ว่ก็หมายถึงพระอาราหันต์ได้บางทีก็พูดถึงเหตุที่ทำให้อสวรสิ้นนะเช่นมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นต้นอย่างนี้แต่เพราะว่าถ้าเราเรียกว่าอาราหันต์อาราหันต์เลยเนี่ยอาราหันต์นี่มันเหมือนกับเป็นตัวตนขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึง่งคนที่เป็นโซดาบัน คนนี้เป็นอนาคามีคนนี้เป็นอรหันต์แต่มันเหมือนกับเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันผิดหลักนิดหนึ่งนะทุกผู้ฟังเพราะว่าคนที่บรรลุธรรมต่างๆเหล่านี้คือเขาสามารถรื้อถอนพบนะพบหมายถึงสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งสภาวะอย่างนี้อย่างนั้นแต่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นถึงความมีความเป็นความเป็นตัวตนพวกนี้นะซึ่งแน่นอนพระอรหันต์เนี่ยสามารถที่จะรื้อถอนพวกนี้ได้ เพราะนั้นถ้าบอกว่าเรารื้อถอนพวกนี้ได้แล้วเกิดสภาวะหน่อยขึ้นมาอันนั้นยังไม่ใช่ล่ะอันนั้นยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยจึงใช้คํานี้ว่าชาติสิ้นแล้วประมาจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกถ้าเราไปเสาะหาคํานี้ในพระไตรปิฎกตำมฝั่งโอ้เจอตรงนั้นเจอตรงนี้เจอตรงโนดแต่เป็นคําที่ อธิบายถึงการบรรลุธรรมเด่นที่พูดง่ายๆก็คือความเป็นพระอรหันนั่นแหละตอนแรกก็ข้าพระชาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ใช้คําว่าบรรลุเป็นพระอรหันไปเลยแต่เพราะตรงนี้เป็นเรื่องความละเอียดลึกซึ้งของการใช้บทเปลี่ยนชนะของพระพุทชาด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าบอกเป็นอรหันมันก็เหมือนเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็จะผิดหลักการเพราะการอธิบายของพระพุทธชาเนี่ยจึงเฉียบคมรอบคอบเนี๊ยบแต่เหมือนอย่างราชสี ปัญาสีหานี่เวลาตระกบเหยืนต้องทีเดียวตายแต่ไม่ให้เสียเหลี่ยมครูของราษฎร์สเช่า ก, การการบางทีพระบรมราชตรัสพูดเอาไว้ทําไมต้องพูดยาวๆพูดสั้นๆย่อๆ อ, อะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอก็เพราะว่าความนี้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังนี่คือเหลี่ยมคูของความเป็นสมาสัมปุทาเดี๋ยวต้องละเอียดรอบคอบฉลาดหลักแหลมเดี๋ยรัดกุมและไม่เปิดช่องโบเหมือนอย่างความสามารถของปรญยาราษฎร์สี เรื่องนี้ก็เหมือนกันในเรื่องของการบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งการบรรลุแต่ ia, มันไม่ใช่สภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เป็นเพราะ ว, ว่าความที่เราเอาเจ้าราค่าโทสะโมหะออกไปได้ความที่เราเข้าใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสภาวะที่ถูกต้องเพระาะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าฉันบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึง่งบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าเราจะไปถามว่าเอาท่านบรรลุที่ไหนบรรลุอย่างไรบรรลุเมื่ อ, อไรบรรลุอะไร กิเลสพวกไหนเห็นธรรมพวกไหนน่มีหกอย่างนะตัวังฟังให้ดีแต่ถ้ามีคนบอกว่าบรรลุธรรมฉันบรรลุธรรมแล้วถ้าเราจะไปถาม่าบรรลุทำอะไระบรรลุได้ยังไงบรรลุเมื่อไรบรรลุที่ไหนละกิเลสพวกไหนได้ได้ธรรมะพวกไหนหกคำถามนี้จึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้ธรรมฟังที่เรียกว่าชาวิโสธนสูตรจริงๆคำถามพวกนี้ไม่เป็นคำถามที่ควรจะต้องถาม เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่ประเด็ น, น, นคือในคําที่เป็นคําถามเนี่ยภาษาไทยเนี่ยในหมวดที่เป็นคําถามเนี่ยก็มีอยู่6กคำเหมือนกันแหละก็อะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทําไ ม, มใครใครบรรลุอะไรบรรลุที่ไหนเมื่อไหร่บรรลุอย่างไรทําไมบรรลุนี่คืลักษณะที่แบบถ้าเราถามกันทั่วไปโดยใช้หลักของคําที่เป็นคําถามคําที่ใช้ประกอบทําให้ประโยคนี้ เป็นประโยชน์คำถามก็มีอยู่หกคำภาษาอังกฤษก็เข้าข่ายลักษณะนี้อย่างไรทําไมที่ไหนเมื่ อ, อไรใครลักษณะนี้เหมือนกันถามได้แต่นั้นไม่ใช่คําถามที่จะถามแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ถ้าเผื่อว่าฉลาดในเรื่องของการกําหนดนบทเปียนฉะนั้นเขาก็อธิบายเรื่องนี้ได้เพราะว่าคนที่ถ้าเบอกว่าฉลาดศึกษาในเรื่องคําสอนเขาก็จะสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่เป็น ประกอบในประโยคคําถามเหล่านี้ได้แต่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าฉลาดในเรื่องการพูดชาฉลาดในเรื่องของอสสระศาสตร์ฉลาดในเรื่องการเทศน์สอนเกิดสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาในใจมีคนถามคําถาม6คําถามนี้แต่เขากา็ตอบได้แน่ตอบได้แน่แต่คําถามที่พระพุทธเจ้าให้ใช้ถามถึง6อย่างด้วยกันไม่ใช่ว่าอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรทําไมใครไม่ใช่สิ่ง6อย่างนี้แต่เป็น6กอย่างในเรื่องของธรรมะ แปลว่าบุคคลผู้นี้เห็นธรรมะใน6อย่างอย่างนี้อย่างไรนะจึงสามารถรู้ได้ว่ า, าการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วปรมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกคุณเน้นธรรมะหอย่างนีนะ้ในสิ่ง6อย่างนี้อย่างไรจึงสามารถรู้ได้เห็นได้อย่างนั้น6กอย่างมีอะไรบ้างหมดที่1ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพัสดะ ทั้ง4อย่างนักปราชญ์ทำไม4ี่อย่างไม่ได้มี6อย่างหรือยังไงถ้าเราแบ่งตานี่เป็นส่วนได้เห็นนี่เป็นส่วนหนึ่งแบ่งหูเป็นสิ่งที่ได้ฟังนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่3ก็คือสิ่งที่ได้รู้สึกก็คือเรื่องของจ ม, มูกลิน้นและกระกายเป็นอย่างที่สามส่วนเรื่องของใจก็เป็นอย่างที่4ี่นั่นคือสิ่งที่รู้แจ้งได้ปรัชชาแบ่งเป็น4อย่างอย่างนี้ก็มีก็คือ เ, เอาเรื่องของอิจตนะหมาแบ่งเป็น4ส่วนรู้อย่างไรเห็นอย่างไร ในเรื่องของสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้รู้สึกได้รู้แจ้งสี่อย่างนี้นี่คือหมวดที่1หมวดที่2ก็เรื่องเกี่ยวกับขันทั้งห้าจะถามเรื่องเกี่ยวกับขันทั้ง5้าว่ารู้เห็นขันห้าอย่างไรจะถึงจึงหลุดพ้นได้อย่างที่ว่าขันทั้งห้าคืออะไรทั้งมดฝังขันนี่ไม่ใช่ขันเงินขันสแตนเลสหรือว่าขันพลาสติกนะแต่ขันในที่นี้หมายถึงกองหมายถึงหมู่คืออะไรอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกัน เขาก็จับมา ร, ว ม, รวมกันสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซมีคุณสมบัติที่เหมือนเหมือนกันตรงนี้จับมารวมกันเขาเรียกว่ากองของรูปเขาเรียกว่ารูปประขันสิ่งไหนที่เป็นความรู้สึกเนี่ความสุขความทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขมารวมกันมาจับเป็นกลุ่มกันเขาเรียกว่าเป็นขันขันแปลว่ากลุ่มขันแปลว่ากองก็คือเวทนาขันส่วนไหนที่เป็นความรู้แจ้งเช่นการที่เราไป รับรู้ได้ทางตาทางหูพวกนี้ก็จะมากองรวมกันก็เรียกว่ากองวิญญาณหรือวิญญาณขันอย่างนี้มีทั้งหมด5กองก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณมี5้าอย่างนี่คือหมวดที่2องแต่คือไม่ได้ถามว่าท่านบรรลุที่ไหนไม่ได้ถามว่าท่านบรรลุอย่างไรแต่ถามถึงเรื่องของพรนษาสี่อย่างนี้ถามถึงเรื่องของขันทั้งห้าอย่างนี้แล้วอันที่3แมเรก็ไม่ได้ถามว่าบรรลุเมื่อไหร่ แต่ถามถึงว่าธาตุทั้งหกธาตุทั้งหที่เราพูดถึงกันนี่ก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราก็ยังรวมถึงธาตุช่องว่างธาตุช่องว่างนี่ก็หมายความว่าไอ้เจ้าธาตุสเนี่ยมันมาประกอบกันในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะมีช่องว่างเกิดขึ้นอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเสามาเอาคานมาต่อกันเอาเสาหลายหลายเสาเอาคานหลายๆคานมาต่อกันเข้าไปเอาหลางังคามาใส่มันก็เป็นบ้านขึ้นม า, าบ้านมันคืออะไร มันก็คือช่องว่างที่อยู่ใต้หลังคานั่นแหละช่องว่างที่อยู่ใต้คานใต้หลังคามีเสาค้ำยันเอาไวา้ไอ้ความที่เป็นช่องว่างตรงนั้นเนี่ยคือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นบ้านขึ้นมาเป็นที่ที่เราจะใช้ประโยชน์ในการนั่งการนอนการทําอะไรต่างๆได้ซึ่งกัลักษณะเดียวกันกันกบในร่างกายของเราแต่ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีช่องว่างอันเกิดจากการที่อวัยวะมันประกอบกันมันก็เป็นช่องว่างเช่นที่ที่ให้อาหารมัน ไหลไปได้เดินทางไปได้ช่องว่างที่ปราศจากเนื้อปราศจากเลือดตรงส่วนนั้นนี่ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นธาตุช่องว่างแล้วก็วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือธาตุที่เข้าไปทำหน้าที่รับรู้มีทั้งหมด6อย่างด้วยกันธาตุหนี่คือหมวดที่3ส่วนหมวดที่4นั้นก็ถามถึงเรื่องอายตนะภายในหมวดที่5ก็คืออายตนะภายนอกเอาแล้วอันนี้มันต่างกับข้อแรกอย่างไร นนในหมวดแรกที่เราพูดถึงโหารสีใช่ไหมโหารสีนี่คือสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่ได้รู้สึกแล้วก็สิ่งที่ได้รู้แจ้งในที่นี้นั่นะก็คืออายตนะภายในหมายถึงตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสปณิธานและธรรมารมลักษณะมันต่างกันตรงที่ว่าในส่วนที่เป็นภายในภายนอกนี้นั่นะก็คือจะเกิด สิ่งที่เรีว่าพัทธะเกิดขึ้นซึ่งภาษานี้นก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแแต่ต่ในโวหาร4ในในข้อแรกนั้นพูดถึงการที่ใจของเราเข้าไปรับรู้สิ่งนั้นการที่ใจของเราไปทําหน้าที่รับรู้สิ่งที่มาทางตาเพราะว่ามันมี3ส่วนด้วยกันถ้าจะเกิดสิ่งที่เราเป็นพัทธะขึ้นเนี่ยก็คือมีตามีรูปจึงเกิดความรู้แจ้ง่างๆ3อย่างนะมี3อย่าง3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าพัทธะ สองอย่างแรกมาด้วยกันก่อนนะคือมีตาและมีรูปนะตาและรูปจึงเกิดอย่างที่สคือความรู้แจ้งต่างๆไอ้เจ้าวโวหาร4ที่เป็นหมวดแรกที่พระพุทธเจ้าให้ถามนั้นคือตรงส่วนที่เป็นการรู้แจ้งต่างๆ ต, ตรงนี้แก็คือพูดถึงวิญญาณที่เกิดขึ้นในหมวดที่4หมวดที่5ตรงนี้แต่ก็คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยอายตนะภายในก็คือตาอายตนะภายนอกก็คือรูป เพราะฉะนั้นในส่วนที่ประกอบกันเป็นผัสสะมีอยู่3อย่างเนี่ยสส่วนเนี่ยก็คือวิญ ญ, ญาณจิตที่เข้าไปรู้แจ้งต่างๆนี่เป็นต้นส่วนที่เป็นช่องทางก็คือเจ้าตัวตาเองส่วนที่เป็นสิ่งภายนอกที่มากระทบก็คือรูปทั้งหลายเสียงทั้งหลายถามหมดเลยว่า3อย่างนี้ท่านเห็นยังไงก็เป็นคําถาม3ส่วนสหมวดตรงนี้คือ1ถามเรื่องเกี่ยวกับภายในก่อนก็นนคือจิตใจเป็นยังไงการเข้าไปรับรู้สิ่งนั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือหมวดที่1 หมวดที่4ที่5ที่เราพูดถึงในที่นี้หมวดที่4ก็คือช่องทางก็คืออายตนะภายในช่องทางดีสิ่งภายนอกจะเข้ามาได้ก็เลยมาตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มโนส่วนที่5้าส่วนที่5ก็คือพูดถึงสิ่งที่เป็นภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสปุถะว่ธรรมารมเรู้อย่างไรนี่เป็นคาถามข้อที่4และข้อที่5้านั่นคือไม่ได้ถามว่าทําไมใครเมื่อไหร่ อะไรที่ไหนอย่างไรไม่ได้ถามถึงพวกนั้นแต่ถามถึงพวกนี้แต่ถามถึงคุณธรรมเหล่านี้แต่เช่นคำตอบทั้งหมดท่นผู้ฟังคําตอบทั้งหมดก็จะมารวมลงตรงจุดที่ว่าสามารถที่จะถอนอนุใสละอาสวะความยึดถือพวกเนี้ในทั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ตอนนี้เราพูดถึง5อย่างที่ผ่านมาท่านผู้ฟัง5คําถามนะข้าพเจ้าจะจัดเรียงให้ใหม่เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจตามลําดับ2คําถามแรกก็คือเป็นเรื่องของธาตุสีขันธ์ห้า เนี่นี่เราคงจะเข้าใจกันซึ่งท่าจริงๆแล้วมันมี6อย่างในที่นี้พระบุรุษาก็จึงถามให้ครบถ้วนละ่ถถ 6, ละถึงท่าทั้ง6หกถึงกันทั้ง5นี่คือ2หมวดคําถามแรก3หมวดคําถามถัดมาก็กคือเกี่ยวกับเรื่องผัสสะหรือการรู้แจ้งทางใจเนนี้เป็นแบ่งเป็น4อย่างเราเรียกว่าบุหารสข้อที่2ก็คือเรื่องของอายตนะภายในคือตา่างหูจมูกนิ้วไก่ใจข้อถัดมาก็เป็นเรื่องของอายตนะภายนอก ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาบัตมรมทั้งหมด3อย่างในเกี่ยวกับเรื่องของปัสสะบอก2อย่างแรกคือเรื่องของธาตุสหรือธาตุหแล้วก็เรื่องของขันธ์ทั้ง5ทั้งหมด5หมวดคําถามตรงนี้คําตอบที่จะตอบในลักษณะที่จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่ า, า, านี้ได้ก็คือว่าเห็นแล้วก็สามารถถอนอนุสัยความเคยชินละความเพลินละราคะไม่เข้าไปเกลือกลัวไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนแต่ทําให้จิตนั้น หลุดพ้นได้คำตอบจะเป็นลักษณะนี้คําถามที่6ก็จึงต้องถามตรงนี้แหละแล้วละได้อย่างไงแล้ววางได้อย่างไรถอนอนุสัยได้อย่างไรถึงจิตถึงไม่เข้าไปยึดถือจิตถึงไม่เข้าไปเกลือกลัว้วนี่เป็นคําถามที่6รวบที่คุณตอบมา5้าอย่างแรกเนี่ยในสิ่งธรรมะต่างๆเนี่ยที่บอกว่าถอนได้ละได้วางได้เนี่ยไอ้ถอนได้ละได้วางได้เนี่ยทายังไงนี่คือคําถามที่6แต่ซึ่ง6คําถามตรงนี้ทำฝัง ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับเรื่องของประโยคคาถามที่เราจะมีคําที่เขาเอาไปแต่งในประโยคคําถาม Tool นะนีซึ่งอันนี้เป็นที่มาของประศุวะตะไมชื่อว่าฉวิโสธนสูตรคือคําถามหกอย่างแต่ไม่ใช่คําถามที่เราถามกันในระบบของภาษ า, าศาสตร์ว่ามีคําที่ใช้ประกอบเป็นประโยคคาถาม6อย่างแต่ควรจะเป็น6อย่างในเรื่องของธรรมะส่วน ต, ต่างๆที่อธิบายให้นี้ซึ่งการเห็นของบุคคลที่สามารถที่จะละอาสวะจัดการกับเจ้ากิเลสได้ ทำให้เหตุปัจจัยของการเกิดนั้นมันสิ้นไปคือการที่เขาเริ่มต้นในการที่จะเริ่มมีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนอยู่เป็นคาราวะาก็ได้มีโอกาสฟังธรรมฟังธรรมแล้วมีศรัทธาแต่ก็เลยมีความคิดว่าจะบวชแต่เพราะว่าบวชแล้วคิดว่าจะเป็นโอกาสว่าในการที่จะทําความทุกข์เหล่านี้ให้มันลดลงไปได้่อยู่เป็นคาราวะมันก็มีความทุกข์อย่างที่คาราวะเขาจะมีกันจะทําความทุกข์นี้ให้สิ้นไปโดยความเป็นคาราวะนั้นมันก็จะยากก็เลยมีความคิดว่าจะบวช สมัยต่อมาก็ได้มีโอกาสบวชแลงบวชแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติชอบเริ่มจากเรื่องของศีลในมีศีลที่บริสุทธิ์หลักรักษาศาีลให้อย่างดีไม่ว่าจะเินศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรมจันทร์หรือจะเป็นศีลที่จะทําให้เกิดความเลื่อมใสของบุคคลต่างๆได้ตัวเองก็ยังเลื่อมใสตัวเองได้ในเรื่องของศีลต่างๆเหล่านั้นแปฏิบัติตามศีลอย่างดีมีข้อปฏิบัติที่ดูแลมันดีแล้วก็เป็นผู้ที่สันโดษ ด, ด้วยบริการตามมีตามได้ ไม่วาจะเป็นเรื่องของบินดาบเรื่องของเสนาสนะต่างๆจีวรพวกนี้มีความสันโดษสันโดษในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าพอใจด้วยสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้มีอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นนี่คือความสันโดษนอกจากนี้เราก็ยังเป็นผู้ที่สารวมมินสีหนึ่1มีศีลสสันโดษสามมีการสรํารวจมินสีสํารวจมินสีนี้ก็หมายความว่าเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูแล้วแล้วก็ไม่ถือเอาโดย แยกเป็นส่วนๆหรือไม่ถือเอาโดยภาพรวมทั้งหมดเช่นว่าถ้าเราเห็นรถยนต์คันหนึ่งถ้าเราแยกเป็นส่วนๆโอ้ตรงนี้เหล็กตรงนี้เป็นกระจกตรงนี้เป็นยางตรงนี้เป็นพลาสติกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะว่าแยกเป็นส่วนๆเห็นว่าโอ้พลาสติกนี้ทําไมอย่างดีจึงประกอบกันเป็นรถยนต์ขึ้นมาได้หรือว่าวัสดุตรงนี้โอ้เป็นหนังอย่างดีแต่คุณแยกพิจารณาเป็นส่วนๆไม่เห็นๆอย่างนั้น หรือว่าการเห็นโดยความเป็นภาพรวมทั้งหมดแต่ก็เห็นภาพรวมโดยความเป็นรถยนต์ของมันแต่ว่ามันสวยงามอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่เห็นทั้งในสองนัยยะคือแยกเป็นส่วนๆไม่เห็นทั้งในความที่เป็นภาพรวมทั้งหมดทําไมต้องไม่เห็น่ไม่เห็นเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าอกุศลธรรมมันเข้ามาซึ่งการปิดกั้นตรงนี้เรียกว่าการสํารวมอินทรียเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นโดยภาพรวมมันอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรรถยนต์คันนี้ก็โอเคดูๆแล้วก็ธรรมดา แต่พอเรามาแยกแยกวิเคราะห์เป็นส่วนเป็นส่วนโอ้แต่ว่าหนังเขาทาอย่างดีนะทําเป็นเบาะนั่งนี่ทําอย่างดีนะหรือว่าโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรแต่ว่าดีเฉพาะช่วงล่างอย่างนี้หรือดีเฉพาะวัสดุคือเหล็กที่เอามาทําแยกเป็นส่วนย่อยอ ย, อย่างนี้แล้วอกุศลธรรมมันจะเข้าได้คือความกําหนัดความเพลินแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นตรงนั้นทั้งที่เป็นแยกเป็นส่วนๆทั้งที่เห็นโดยภาพรวมทั้งหมดอันนี้คือเรื่องของการสรํารวมินรียนอกจากมีศีแล้ว สันโดดด้วยบริการตามมีตามได้แล้วมีการสำรวจมินซีแล้วแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญนะแต่มีสัมปชัญญะในการที่จะเคลื่อนไหวร่างกายการกินการดื่มเนะือรู้ตัวรอบข้อไปหมดมีสัมปชัญญะแล้วแล้วก็เริ่มทําสมาธิที่เป็นรูปแบบทีนี้ทีนี้ในบางพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้เพิ่มเติมเรื่องอื่นๆด้วยนะพระพุทเจ้าจะเอามาใส่เติมกันให้มันครบถ้วนไปแต่เช่นว่าการรู้ประมาณในการบริโภค น, นี่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาได้หรือว่าการเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมันเป็นเครื่องตื่นแต่คือนอนยามเดียวนอนยามเดียวก็หมายความมากถ้าเราแบ่งกลางคืนออกเป็น3ส่วนนอนสักส่วนหนึ่งอีก2ส่วนนี่ตื่นแต่คือในตอนกลางคืนเนี่ยตื่นมากกว่าตอนที่นอนเพราะแน่นอนก็น้อย ก, อยกว่า6ชั่วโมงแต่คือถ้ากลางคืนมี12ชั่วโมงใช่ไหมเราแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยส่วนต้นส่วนปลายเป็นส่วนที่จะตื่น ส่วนตรงกลางเป็นส่วนที่จะนอนแต่ถ้าเอาส่วนต้นส่วนปลายมารวมกันแล้วมันควรจะต้องมากกว่าส่วนที่นอนอธิบายเวลักษณะแบบนี้ก็มีนี่ก็เรียกว่าการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือตื่นมากกว่าหลับนะไปอย่างนั้นเถอะนะฉะนั้นนี่คือ2 ส, ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนืงจากพระสูตรนี้เรื่องการรู้ประมาณในการบริโภคเรืองของการที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นจากนั้นก็เริ่มนั่งสมาธิแล้วทีนี้ การเริ่มนั่งสมาธิเป็นรูปแบบก็อยู่ในสถานะอันสงัดมีคนไม้บ้างมีเรนว่างบ้างแล้วก็ทําจิตให้มันบริสุทธิ์ผ่องใสละเจ้านิวรณ์ทั้งหลายลทําสมาธิเป็นชานหนึ่งฌานสองฌนสามฌนสเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทําอาสวะให้สิ้นได้โดยพูดถึงเรื่องของอาสวะขยยากนอาสวะขยยาณ น, นี้ก็คือความรู้ในยานแปลว่าความรู้ในการที่จะสิ้นอาสวะหรือในการที่จะทําอาสวะให้สิน้น เราก็เรียกว่าอาสวัขยายากนแต่ตรงนี้ก็จะทำให้บุคคลเนี้ยสามารถที่จะละอาสวะละกิเลสละความยึดถือละความที่จะเข้าไปถูกครอบงาด้วยธาตุสี่ธาตุหกขันห้นาภัณษะทั้งหลายละความที่จะเข้าไปเกลือนกลั้วยึดถือถูกครอบงาด้วยสิ่งต่างต่างเหล่านี้ได้ด้วยอาสวัขยายา น, นี้นั่นเอง โดยความรู้ในการที่จะทําอาสวะให้สิน้นโดยความรู้ในการที่รู้ว่าอาสวะจะสิ้นไปความรู้ตรงนี้ก็ต้องมาจากการที่จิตมีสมาธิการที่จิตจะมีสมาธิได้ก็ต้องเสพเสนาสนะอันสงังกัดคนมันจะมายินดีในเสนาสนะอันสงังกัดได้ก็ต้องมีการสํารวมอินทรีย์ see, รู้ประมาณในการบริโภคมีความสันโดษมีศีลพวกนี้เป็นต้นคนจะมาปฏิบัติตามศีลมีการสํารวมอินทรีย์ see, ยินดีในเสนาสนะอันสังัดเนี่ยเขาต้องมีศรัทธา ศรัทธาใการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ประตรนี้เป็นรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์จะมีศรัทธาในการประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องได้ฟังธรรมไม่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ฟังธรรมจากสาวกของพระผู้มีพระภาคฟังแล้วมันมีศรัทธาลำดับขั้นตรงนี้จะเป็นการที่จะบอกได้ว่าอาบุคคลผู้นี้สามารถที่จะเห็นธรรมได้สามารถที่จะละอาสวะได้สามารถที่จะคลายความกำหนัดความยึดถือความเพลินในขันต์ตั้งห้า ในอายนะณะทั้งหกภายในและภายนอกในผาสสะที่เกิดขึ้นในธาตุทั้งสี่ดินน้ําไฟลมรวมถึงอากาศาธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุด้วยเขาทำได้ทําได้ด้วยกระบวนการการปฏิบัติอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะไปถามท่ว่าท่านบรรลุทําอะไรบรรลุทําที่ไหนบรรลุเมื่ อ, อไรบรรลุอย่างไรบรรลุทําไมใครบรรลุอันนี้มันหาตอบกันได้แต่คําถามที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะแบบนี้นี่มันเฉพาะคนที่่รู้จริงถึงจะตอบได้ อันนี้คือเรื่องของฉะวิโสธน ส, สูตรเป็นการอธิบายถึงการบรรลุ ธ, ธรรมและเป็นขั้นเป็นตอนไปท่าน้ฟังยังมีคำถามในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สามารถเขียนกันมาถามได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือปรษศนียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซกเลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนไฮโซกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีหรือไสะดวกทางเว็บไซต์กทพิเอลธรรมะ dot com p u r e d h a m m a com กัาพระอาพระมหาภัยบุญอภิปุนโญ จะรับ